ถ้าหากว่าสัทธตันหาคือตันหาที่ยินดีในเสียงเนี่ยนะก็ย่อมไหลไปสัน้นไปหลังไปทางหูเนี่ยนะถ้าหากว่าอยากได้ยินเสียงเพราะเะนี่ยนะก็ต้องอาศัยหูไปเพื่อที่จะฟังแต่หากว่า huh, อยากได้รับกลิ่นที่หอมหอมก็ต้องอาศัยจมูกเนี่ยเป็นเครื่องสนองตันหาอันนั้นถ้าหา ก, หากหว่าอยาการสตันหายาตันหาที่ยินดีในรสก็ต้องอาศัยลิ้นนี่แหละเป็นเครื่องไปฉาบทาน เป็นไปเครื่องไปสนองอ่ะ น, นะทาให้ตันหาอันนี้เกิดขึ้นได้ไปส่งเสริมเหมือนกันเนี่ยแล้วถ้าหากว่าตันหาที่ยินดีในโภภพธิพะนั้นก็ต้องอาศัยทางกายถ้าหากว่าธรรมะตันหาเนี่ยนะก็ต้องอาศัยทางใจหรือว่าย่อมไหลซ่านไปหลังไปเป็นไปทางใจรวมความว่ากะระแสทั้งหลายเนี่ยย่อมไหลไปในที่ทั้งปววกะระแส ปัญหาทิฏฐิกิเลสทุจริตอวิชชาเนี่ยไหลไปในอายตนะทั้งปวงเหมกันทีนี้ว่าอะกระแสทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะอะไรเป็นเครื่องขวางเครื่องกางกั้นเครื่องป้องกันเครื่องรักษาเครื่องคุ้มครองกระแสทั้งหลายนะก็คื อ, คอรวมความว่าอะไรเนี่ยเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย เพราะฉะนั้นขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัตกิกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศธรรมะเครื่องขวางเครื่องกั้นเครื่องป้องกันเครื่องรักษาเครื่องคุ้มครองกระแสทั้งหลายนะอะไรปิดกั้นกระแสทั้งหลายว่ากระแสทั้งหลายถูกอะไรปิดกั้นถูกอะไรตัดขาดจึงไม่ไหลไปไม่ซ่านไปไม่หลังไปไม่เป็นไปว่าไง กระแสเหล่านี้นะอาศัยอะไรมาตัดเครื่องกั้นกระแสคือสติเครื่องตัดขาดกระแสคือปัญญาเนี่ยนะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสตอบว่ากระแสเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นได้เรากล่าวธรรมะเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายปัญญาปิดกั้นกระแสเหล่านั้นได้เนี่ยนะ กระแสทั้งหมดเหล่านี้นะถ้าไม่มีสตินี่ก็กั้นไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาก็ตัดขาดไม่ได้ไดนะซึ่งภาษาริบุตรท่านอธิบายว่าคำว่ากระแสเหล่าใดในโลกอธิบายว่ากระแสเหล่านั้นใดที่เราตอบชี้แจงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนก ทำให้ง่ายประกาศไว้คือกระแสตันหากระแสทิฏฐิกระแสกิเลสกระแสทุจริตและกระแสอวิชชาอานะกระแสเหล่าใดในโลกคําว่าโลกได้แก่อบายาโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกรวมความว่ากระแสเหล่าใดในโลกนั่นนะโลกคือพวกเรานี่แหละมันงั้นนะ คำว่าสตินั้นเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นได้อธิบายว่าสติคือความตามระลึกนะอธิบายของลักษณะของสตินะว่าสภาวะของเขานั้นอะตามระลึกระลึกได้เฉพาะสตินี่คือความระลึกได้ความจำได้นะสติบางทีเ อ, เอาเอาความจำมาเป็นตัวอธิบายนะความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติคือสตินี สติพละสัมมาสติสติสัมโพชงเอกายนามัคนี้เรียกว่าสติเหนไะเพราะสตินี่แหละจะเป็นเครื่องขัดขวางเครื่องกั้นเครื่องป้องกันรักษาคุ้มครองนะถ้าหากว่าไม่มีสติแล้วที่จะปกป้องคุ้มครองรักษากีดขวางกลางกั้นกระแสแห่งตันหาทิฏฐิกิเลสทุจริต แล้วก็อวิชาไม่ได้แ น, น่นอนน่สตินี้เนี่ยจึงจะกกางกั้นได้สติมีลักษณะอย่างไรนสติมีสัลักษณะระลึกได้เป็นลักษณะใช่ไหมอ่าระลึกอะไรอ่ะระลึกอย่างไรจึงจะชื่อว่าสตินะเขาบอกว่าสตินี่ระลึกถึงหรือระลึกได้เฉพาะเนี่ยระลึกอย่างไรอ่าอุปมา่อนถ้าอุปมานี่จัง่ายเลยอุปมาเหมือนคุ้นคลังใช่ไหมเขอบอกว่าจิตเนี่ยนะเหมือนกับ พระราชาสตินี้เหมือนกับขุนคลังขุน ค, คลังก็จะบอกให้พระราชาระลึกว่าโอ้พระองค์เนี่ยมีรัตนะอย่างนี้นะนี้ช้างเท่านี้ม้าเท่านี้กองทัพเท่านี้คอยเตือนชาวเตือนยินถึงรักทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพระราชาสติเกิดขึ้นก็ลักษณะเหมือนกันนะก็กระตุ้นเตือนให้ระลึกว่าเออนี้อริยทรัพย์คือสติประธานสมมัิประธานนั่นแหละอิทธิบาทอินทรีย์พะละโพชฌง นี่สมรรถน้วิปัสนานี้วิชานี้วิมุตนิสั จ, จ ะ, ะนะนิฌานเนี่ยก็สติเนี่ยเป็นเหตุให้ระลึกถ้าของพวกเราก็ระลึกว่าเออนี้ทรัพย์ของเรานะระลึกถึงทรัพย์คือศรัทธาก็ยังดีน ะ, ะนี่ซัพย์คือศีลรัพย์คือหิริโอตตทรัพย์คือสุตะรัพย์คือจารค้ารัพย์คือปัญญานะถ้ามีสติระลึกอันนี้เป็นทรัพย์ของเราอันนี้ก็เรียกว่าคนมีสติแล้วละ่ะ หรือสติอีกลักษณะหนึ่งก็คืออุปมาเหมือนกับปรินายกแก้วเขาบอกว่าธรรมดาปรินายกแก้วเนี่ยนะของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยจะแยกแยะว่าอะไรมีโทษไม่มีโทษคือคนที่เข้ามาเฝ้าพระราชาเนี่ยนะมีหลากหลายมากทั้งคนดีทั้งคนชั่วเนี่ยนะเข้ามาปรินายกแก้วเนี่ยกําหนดวาระ จ, จิตคนได้ฮันปรินายกแก้วก็บอกเออนี่พวกนี้ไม่ดีไม่มีประโยชน์ ถ้าหากว่าให้เข้าไปเฝ้าพระราชาถ้าเกิดทํากบฏก็ว่าไงเพราะฉะนั้นกันพวกนี้ออกไปนะเออพวกนี้มีอุปการะต่อพระราชามากอันนี้รีบให้เข้าเฝ้ากั้นเถะแยกแยะคัดสรรเป็นเจ้าหน้าที่อันนให้ให้เข้าไปเฝ้าพระราชาได้ถ้าหากว่าสติเกิดขึ้นก็จะแยกว่าเออนี้ทุจริตนะทุจริตนี้มีโทษไม่ดีให้ผลเป็นความทุกข์นี่ไม่ว่าจะเป็นกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมีโทษทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นรีบกำจัดออกไปนะถ้าสติเกิดขึ้นก็จะกำจัดความชั่วทางกายกำจัดความชั่วทางวาจากำจัดความชั่วทางใจใช่ไหมพะหากว่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนำความเสียหายแก่พระราชาวังงั้นนำความเสียหายให้แก่พระเจ้าจิตรรัตนาะถ้าปล่อยให้จิตรรัตได้อาคุศลเข้าครอบงาและเสียหายแน่อนบ้านเมืองใกล้จะพินาศแล้วล่ะรักษาบัลลังก์ไม่ได้เลย กายยานครรักษาไม่ได้เลยกันนี้นอนตกอบายอะไแย่แล้วแล้วก็ถ้าสติกเกิดขึ้นนี้ก็จะแยกว่าเออสิ่งนี้เนี่ยไม่มีโทษนะเป็นกุศลมีวิบากที่น่าปรารถนามีวิบากที่น่าต้องการเหมืนกะันแคือกุศลเนี่ยนะคือกายะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตทํำยังไงกุศลจิตเหล่านี้จึงจะเกิดให้มากมากเหัืนกะันะ่ะแต่ข้ากับคนดีเข้าไปเฝ้านะนะรีบเข้าเฝ้าเลยนะเัมืนกะันกะ็คนเหล่านี้มีประโยชน์แก่พระราชา ลักษณะของสติก็จะเป็นอย่างนั้นนะถ้าบอกว่าสติเออรู้ตัวอยู่โอยคนเมาเขาก็บอกเขารู้ตัวแบบนั้นเอถอะเชื่อถามคนเมาดูนะเ อ, อ้อยังมีสติเขาว่า ง, งั้นสติอะไรเมาจนจะลากสำนวนว่าจะประคองตัวจะไม่ไหวอยู่แล้วอะนะยังบอกว่ามีสติมีสติจะไปเมาอย่า ง, ง, น, าง น, นั้นได้ยังไงนะหรือถ้าพูดใช้คําว่ามีสติอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับคนขับรถนะนะ คนขับรถที่รู้ถึงคุณโทษะนะแต่พูดแบบสติแบบเราๆนะก็คือคนถ้าขับรถเนี่ยถ้าประมาทนี่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าประคองตัวดีนี่อะไรจะเกิดขึ้นแต่สตินี้ไม่ใช่แบบแบบนั้นคือแต่ว่าคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสติอันนี้เนี่ยมองว่าถ้าทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยมีโทษอย่างไรถ้าสุจริตเกิดขึ้นเนี่ยมีโทษอย่างไรก็เหมือนกับคนขับรถถ้าประคองรถไปดีเนี่ยจะถึง ถึงที่ที่หมายโดยสวัสดถีถ้าขับโดยประมาทประสบอุบัติเหตุฉันใดเนี่ยนะสติเกิดขึ้นก็จะคลายๆแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นสตินี่เป็นเครื่องกลางกั้นคุ้มครองปกป้องรักษาไม่ให้กระแสตันหากระแสทิฐิกระแสกิเลสกระแสทุจริตและกระแส อ, อวิชชาเนี่ยไหลไปต่อไป อนั่นเขาบอกว่าพึงเห็นสติเหมือนกับเสาเขื่อนเพราะตั้งมั่นงนั้นลหรือว่าเหมือนนายทาวารผู้รักษาประตูเทีนี้กระแสเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะกระแสตันหากระแสที่เ ท, ทกระแสกิเลสกระแสทุจริตกระแสอวิชชาเนี่ยจะถูกตัดขาดหรือเอาอะไรมาตัดขาดนะกระแสเหล่านั้นอะ่ะจะตัดได้ยังไงเอาอะไรมาตัดเขาบอกว่า ปัญญาเนี่ยนะเป็นเครื่องปิดเครื่องกั้นเครื่องตัดขาดกระแสเหล่านั้นได้ทีนี้คําว่าปัญญาเนี่ยนะก็คือความรู้ทั่ว ป, ปัญญาที่รู้ชัดเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งได้แก่พวกสัมมาทิฏฐิปัญญินีปัญญาภะธรรมวิจยะสัมโพชฌงอะปัญญาเหล่านี้นี่แหละจึงจะตัดขาดกระแสเหล่านั้นได้ ซึ่งท่านภาษาดิบุตรอธิบายว่าคําว่าปัญญาปิดกั้นกระแสเหล่านั้นได้อธิบายว่ากระแสเหล่านั้นปัญญาปิดกั้นได้คือตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปนะนะคือตัดให้ขาดนะนะถ้าตัดขาดแล้วก็จะไม่ไหลไปไม่สั้นไปไม่หลังไปไม่ไหลไปไม่เป็นไปกระแสเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ของผู้เห็นอยู่นะผู้รู้ผู้เห็นนะจึงจะตัดกระแสเหล่านี้ได้ ถามว่ารู้อะไรเห็นอะไรจึงจะตัดกระแสเหล่านี้ได้นะถ้าพูดแบบเราเนี่ยของเราพรนึกออกไหมว่าถ้าปัญญาเนี่ยนะรู้เห็นไอ้รู้เห็นอะไรจึงจะตัดกระแสตัดขาดกระแสตันหากระแสทุจริตกระแสกิเลสเนี่ยนะกระแสทิฏฐิกระแ ส, ะแสวิชาได้ปัญญาเห็นอะไรจึงจะตัดได้ ก็บอกว่าปัญญาที่เห็นอยู่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงนะสัพเพสังขาราอ น, นิจจ์อันนี้ก็ยกวิปัสสนาชั้นสูงมามากล่าวนะถ้าวิปัสสนาชั้นสูงเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงก็แสดงว่าเป็นอ น, นิจจานุปัสสนาอ น, นิจจานุปัสสนาเกิดขึ้นยังมรรคที่เป็นอะไรอ น, นิมิตตมรรคเกิดขึ้นนะนะหรือว่าอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหนทางที่จะละ ตันหาละทิฏฐิกิเลสทุจิริตรวิชาข้อปฏิบัตินั้นก็คือการพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงแม่จะลืมนะอันนี้เอายกปหานะปริญญาเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นถ้านับสามนี่แสดงว่าต้องมีสองก่อนใช่ไหมถ้าก่อนที่จะมีสองก็ต้องมี1 1ก็คือยาตะปริญญาสองตีระณะปริญญาสปหานะปริญญานี้ถ้าเอาวิสุธทธินะเอาวิสุธทธิข้อที่7มาเลย ญานทัศนวิสุทธิอย่างเงี้ยโหข้อเเลยนะแสดงว่าก่อนที่จะถึง7ก็ต้องมี6กปันใช่ไหมถ้าวิสุทธิเจ็ดนะเอายานวิสุทธิย า, าณทัศนวิสุทธิขึ้นมาก่อนยานข้อ6คือปฏิปทายานทัศนวิสุทธินนะก่อนที่จะมีหก็ต้องมี5ก่อนใช่ไหมเรียกว่ามคามคะย า, ะาณทัศนวิสุทธิ ทนี้วิสุทธิข้อที่สี่ล่ะวิสุทธิข้อที่สี่ก็ต้องเป็นกังขาวิตรณะวิสุทธิอา้าวก่อนที่จะมีสี่ก็ต้องมีสามก่อนอ่นะเพราะฉะนั้นต้องมีทิฏฐิวิสุทธิก่อนอา้าวทิฏฐิวิสุทธิต้องมีวิสุทธิก่อนอีกคือจิตตวิสุทธิเนี่ยนะได้สองแล้วเหลือหนึ่งเพราะหนึ่งก็ต้องเป็นสีละวิสุทธิแต่ท่านบอกว่าปัญญาปัญญาที่ ปิดกั้นกระแสก็คือปัญญาที่เห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงนั่นแหละระดับญาณทัศนวิสุทธิเพราะฉะนั้นเอาข้อสุดท้ายมาพูดนี่นะถ้าพูดเจแล้วก็ต้องหกห้าสี่สามสองหนึ่งอย่างเงี้ต้องถอยถอ ย, ถอยหลังได้นะเดี๋ยวบอโหจะไปชั้นมาถึงจะกระโดดเอาตรงนั้นเลยนะจะเอาอะไรก็ไม่เที่ยงหมดเลยนะอะไรก็ไม่เที่ยงสักอย่างเลยนะอะไรก็ไม่รู้สักอย่างแต่คิดถึงแต่เรื่องไม่เที่ยงอย่างเดียวเนี่ย ไม่แน่นะเพราะบางทีเนี่ยเออตกอะไรนะอโนนก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่เที่ยงทำบาปเออไม่เที่ยงทำบุญอีกไม่เที่ยงเออะไรก็ไม่เที่ยงสักอย่างดูเหมือนดีนะดูเหมือนถูกเลยแต่ว่าคนที่คิดไม่เที่ยงที่ไม่รู้เรื่องกรรมและผลของกรรมดีเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบอะไรสักอย่างอนนศีลก็จะไม่รักษาอะไรก็จะไม่เอาคนผิดศีลไม่เที่ยงอะรักษาศีลดีมันก็ไม่เที่ยง สรุปแล้วไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแน่อะไรก็ไม่เที่ยงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีความรู้เรื่องไม่เที่ยงดีนั้นน่ะแสดงว่ากรรมสศกตาเป็นต้นมั่นคงเป็นอย่างดีเพราะการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นอุบายเพื่อจะชํำระออกจากวัตทุกข์แล้วเนี่ยนะการใคร่ครวญโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นนั้นเป็นอุบายเพื่อจะชํำระออกจากวัตทุกขฉะนั้นการพิจารณาความไม่เที่ยงนั้นเป็นระดับตีรณปริญญาเป็นต้นไป จึงจะเริ่มรู้ถึงความไม่เที่ยงแต่ตีรณะปริญญานั้นแสดงว่ายาตะปริญญานั้นมั่นคงแล้วหล่ะเพราะฉนั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นอยู่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงปิดกั้นได้คือตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปไม่สซ่านไปไม่หลังไหลไม่เป็นไปหรือว่ากระแสะเหล่านั้นของปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นอยู่ว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข อันนี้ก็ปิดกั้นได้คือตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปไม่สัน้นไปไม่หลังไปไม่เป็นไปกระแสเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาปิดกั้นได้คือตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปไม่สัน้นไปไม่หลังไหลไม่เป็นไปเออนี่ก็เป็นศีล น, นะศีลของเราเมื่อก่อนนะก็นึกเออศีล น, นี้ก็ศีลหศีล8ดนี่ก็พอแล้วนะแต่ศีลเนี่ยที่เป็นสังวรศีลสังวรศีลนีน่เท่าไหร่นะทวนึ่งครั้ง 5อย่างนะหนึ่งปฏติโมขังวร2สติสังวร3ายานสังวร4ขันติสังวร5วิริยะสังวรนี่เรากำลังพูดถึงยาณสังวรอยู่นะยานสังวรเนี่ยโหพิจารณาระดับนี้ยังเรียกว่าศีลเลยนะเป็นประเภทสังวรศีลสังวรศีลอยู่ในข้อที่3เรียกว่าญาณสังวร เรียว่าเอาปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องปิดเครื่องกั้นเครื่องเครื่องตัดเครื่องทําให้ขาดนะนะหรืออย่างหนึ่งก็บอกว่ากระแสเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นอยู่ว่าเพราะวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีหรือว่าสังขารมีเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงจะปิดกั้นได้ตัดขาดไปจึงจะไม่หลังไหลไปไม่ซ่านไปไม่ไหลไปไม่เป็นไปก็คือปัญญาของผู้เห็นปฏิจจสมุปาทั้งโดยอนุโลมและ ปฏิโลมเนี่ยนะก็ะคือสามารถยังถึงปฏิจจสมุปบาทโดยอริยสัจชั่แรกกิเลสออกได้ อ, ะ, อะลักษณะนี้แหละเรียกว่ามีญาณสังวรหรือว่ากระแสะเหล่านั้นเนี่ยนะปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นอยู่ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคา ม, มินีปฏิปทา ปิดกั้นได้คือตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปไม่สัน้นไปไม่ไหลไม่เป็นไปเห็นไหมก็คือปัญกระแสอวิชชาทิฐิตันหาทุจริตอวิชช า, าผู้เห็นอริยสัจก็ตัดขาดได้นะปัญญาของผู้เห็นอริยสัจ ต, ตัดขาดได้หรือว่ากระแสทั้ง5้าเหล่านี้เนี่ยนะปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นวันนี้อาสะวะนี้อาสะวะสมุทัย นี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธถ้ า, ามินิปฏิปทานะปัญญาระดับนี้แหละจึงจะปิดจะตัดขาดกระแสทั้ง5้าเหล่านี้ได้นะหรือว่ากระแสทั้งหมดเหล่านั้นนะของผู้มีปัญญาเห็นเหตุเกิดสมุทยนะัยเห็นเหตุเกิดเห็นความดับคือทังคำะอสาทะอาทินวะและนิสรณะ อุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากภาษายตนาหกนะนะภาษายตนาหกเนี่ยนะภาษาหก็คือภาษาทางตานะีจากขูดสัมผัสจากโซต่าสัมผัสคานาะสัมผัสเชียวหาสัมผัสกายสัมผัสและมโนสัมผัสสัมผัสหเนี่ยนะผู้ที่จะละกระแสเหล่านี้ได้จะต้องรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักอศาศะธาอาทีนวะและ นิสรณะของภาษายตนะทั้งหกเหล่านี้นั่นแหละจึงจะปิดกั้นกระแสกระแสตันหาเป็นต้นได้และอย่างหนึ่งนะก็บอกว่ากระแสเหล่านั้นเนี่ยนะของผู้มีปัญญารู้เห็นเหตุเกิดรู้เห็นเหตุ ด, ดับคุณโทษอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจาก อุปาทานขันห้านะข้อก่อนนี้เป็นภาษายตนา6ใช่ไหมข้อหลังก็เป็นอุปาทานขันห้าหรือว่าปัญญาของผู้เห็นเหตุเกิดความดับคุณโทษอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากมหาภูตรูปส น, นี่ถ้าพูดมหาภูตรูป4ี่นะอุปาทายรูปก็เท่ากับกล่าวแล้วนี่นะ หรือว่ากระแสะเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นอยู่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะปัญญานี่แหละที่จะปิดกั้นได้ตัดขาดจึงไม่ไหลไปไม่สั้นไปไม่หลังไปไม่เป็นไปรวมความว่าปัญญาปิดกัน้นกระแสะเหล่านั้นได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ากระแสะเหล่าใดในโลก สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นได้เรากล่าวธรรมะเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายปัญญาปิดกั้นกระแสเหล่านั้นได้ น, น, นะนะกระแสเหล่านั้นอาศัยสติกั้นปัญญาเนี่ยจริงจะไปตัดขาดได้นะอันนี้ก็เป็นข้อความที่ยกที่นายวิสุทธิมักยกมาให้เห็นว่าปัญญาลักษณะนี้ก็ยังเรียกว่าสังวรเรียกว่าญาณะสังวร แล้วก็เข้าสู่สังวรข้อต่อไปอีกญอาณอสังวรนั้นไม่เฉพาะแต่ปัญญาที่พิจารณาสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทมทั้งปวงเป็นอนัตตาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมปฏิโลมเหตุเกิดความดับอสสาทะอาทีนวะนิสระาแห่งภาษายตนาหอุปาทานขันห้าหรือว่านี้ เ, เห็นอริยสัจแล้วก็ อาสวะเนี่ยนะสงข้ออาสวะลงสมอริยศาสตร์เหมือนกันอาสวะอาสวะสมุทัยหรือว่าผู้ที่เห็นเหตุเกิดความดับอาศะธาทีนวะนิสรณะของมหาภูตรูปหรือคนที่พิจารณาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะไม่แค่นั้นนะยังมีอีกว่าแม้การพิจารณาแล้วซ่องเสพปัจจัยก็รวมลงในญาณะสังวรนี้นั่นเทียว ปัญญาของผู้ที่พิจารณาโดยแยบคลายแล้วบริโภคจีวรพิจารณาโดยแยบคลายแล้วบริโภคเบญทบาทอาหารพิจารณาโดยแยบคลายแล้วพิจารณาที่อยู่ที่อาศัยพิจารณาโดยแยบคลายแล้วจึงบริโภคเภสัชนะคืออยู่ยาทั้งหลายแม้แต่ปัญญาที่พิจารณาปัจจัย4ี่อย่างนี้ก็เรียกว่าญาณสังวรเหมือนกัน